8. อุปัคขาตะสิกขาบท 31. ถามทรงบัญญัตินิสักียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาครหัสผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบท่านพระอุปนันท h สากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรที่เขาไม่ได้ปรารณาไว้ก่อนเข้าไปหาครือัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกําหนดชนิดจีวรในอุปคตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐาน